เดี๋ยวเดี๋ยวโยมลองเล่ า, าอย่างการทำสมาธิของโยมหน่อเนอะาะ เ, เล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่ายัางไงเริ่มต้นแบบไหน ี่ที่วันก่อนที่คุยกับพระอาจารย์ว่ามันเหมือนกับว่าเวลาเรานั่งแล้วจิตเราวิ่งใช่ไหมคะอืมอ่าแต่ว่าอะไรเหมือนว่าเราก็รู้ตัวว่าเออทำไมมันมันไม่ได้แต่ว่าหลังจากคุยกับพระอาจารย์นะแล้วก็พยายามฝึกฝึกเวลาเวลามันพร้อมอ่ะค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่ว่าฝึกเวลาไม่พร้อมแต่เวลารู้สึกว่าเออเราเราพร้อมแล้วแล้วทีนี้ก็ฝึกแล้วก็นี่นั่งเเวลามันได้อ่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่า ไอ้นี่อ้นี่สนตัวนะคือไม่รู้มันจะถูกหรือมันไม่ถูก um. เวลาเวลาเราได้แล้วรู้สึกว่าหน้าเราเหมือนกับว่าโอ้ยถ้ยิ้มแล้วมันเหมือนกับว่ามันบอกความรู้สึกตรงนั้นไม่ถูกพ้าจันไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเร า, เราคือไม่ได้ถามคนอื่นมีถามมีป้าคนหนึ่งเออป้าเวลาได้แล้วป้าเป็นยังไงเขาก็คล้ายๆกันมันเหมือนกับว่าหน้าของเราปอาจันมันมีความสุขมากเลยแล้วเหมือนกับว่าโลกนี้แบบว่าโอ้ยทำไมมันมีความสุขแบบเนี้ยมัน มันเหมือนกับเราจะยิ้มแล้วมีความสุ ข, ขอ่ะพระอาจารย์แล้วแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันบอกไม่ถ่วงว่ามันมีอาการแบบไหนแต่มันไม่ใช่ปกติอะ <S <S ่ะอืมันมันมันไม่ใช่นิ่งนิ่งนั่งนั่งเงีงงยบๆแบบนั้น <S <S แล้วทีนี้เวลาเวลาเลาหมือนกับว่าปัญญามันเหมือนกับว่าเวลาเราน่ะเหมือนเหมือนกับว่าคําตอบที่เราได้พระอาจารย์มันมันไม่ได้มาจากหัวสมองอืมันเกิดตรงจิตน่ะตรงตรงระหว่างตรงกลาง กลางอกของเราอ่ะค่ะมันละมันได้ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่ามันได้ทุกครั้งที่นั่ง <Okay. S 2> ค่ะนั้นแหละค่ะพอประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับว่าเออนึกถึงคําคําสอนของป้าจันโอ๊ตเอง mm hmm. กลับไปอ่านทบทวนที่ป้าจันส่งมาให้แล้วก็เออพยายามคิดที่ที่ป้าจันเคยสอนอ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาเวลาเราอยู่ในแบบนั้นป้าจาย์เหมือนกับว่าเราไม่อยากออกมาค่ะ เออแล้วทีนี้ก็คิดจ่อ๋อติดสุขทำให้เราเออเราติดสุขอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเราทําแล้วเรามีความสุขเราไม่อยากมันเหรอไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอ่ะฉันอยากอยู่แบบนี้อ่ <laughs> ก็เลยคิดอ๋อติดสุขติดสุขไม่ได้เออเป็นสุขใช่แล้วแล้วพระอาจารย์ว่าใช่ไหมคะ เออที่เล่ามานะก็ก็คือความจริงที่ปรากฏขึ้นที่โยมเองรู้เองเห็นเองถูกไหมอืมใชแล้วก็โยมมาเล่าให้เราฟังนะแต่ทีนี้ธรรมะเนี่ยว่าเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้เนี่ยแล้วเอ่อตัวแก่นของธรรมะเนี่ยที่ว่าสู่ความพ้นทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะอ่าก็จะเอาเหตุการณ์นี้แหละมาชี้บอกก็คือว่า จริงๆอันนี้เราเอาตองตามหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านบอกว่าตัวเราไม่มีคือไม่มีตัวเราเลยอ่ะนะมีแค่ความปรุงแต่งมีแค่ขันห้านะสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดที่โยมเล่ามาเนี่ยหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่โยมเล่ามาทั้งหมดอันเนี้ยเป็นปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นนะภาษาธรรมะที่เขาเรียกว่าสังขารเป็นทุกข์คือสังขารเป็นอนิจจังสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตา ที่โยมเห็นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความว่างไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นความคิดทุกชนิดที่ไปเห็นมาล้วนแต่เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เท่ากับว่าธรรมะเนี่ยได้แสดงให้โยมเห็นแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันมีอยู่แต่สิ่งนี้ก็หายไปใช่ไหมตรงไหมว่าหายไปเพราะตอนที่โยมทําสมาธิมันมีอยู่ก่อนทํามันไม่มี อพอทำแล้วมันก็ค่อ ย, อยมีนู่นมีนี่นะ่ะเมื่อออกจากสมาธิแล้วณบัดเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีสภาวะอย่างนั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยธรรมะแสดงให้เห็นความจริงว่าสิ่งที่เห็นมาที่พบมวาบมว่าที่พบมาเนี่ยไม่ว่ามันจะดีเลิศขนาดไหนหรือเลวร้ายขนาดไหนล้วนแต่อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามหมดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เพียงได้แค่รู้ว่าสิ่งนี้ ปรากฏขึ้นแล้วก็สิ่งนี้ก็หายไปให้อยู่กับรู้ให้อยู่กับรู้อย่าไปหลงอย่าไปเป็นกับมันนะอย่าไปหลงก็คืออย่าไปหลงเพลินอย่าไปหลงยินดีไม่เป็นกับมันคืออย่าไปเป็นตามที่มันเป็นเช่นมันสงบก็อย่าเข้าไปเป็นว่าเราเป็นผู้สงบเออ่หรือว่าบางทีมันเกิดปัญญาขึ้นมาก็อย่าได้หลงเข้าไปเป็นว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเพราะเราไม่มีเลยเราไม่มีเราไม่มี ทีนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเป็นยังไงก็เพียงแค่รู้เหตุการณ์ตามที่ปรากฏขึ้นแค่นั้นเองแค่รู้แค่รู้แล้วก็มันก็ผ่านไปไม่ติดไม่ยึดอะไรทั้งหมดเลยในโลกนี้แค่นี้มันก็นี่แหละคือความไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะไม่ยึดอะไรอะไรในโลกนี้เลยได้แค่รู้แล้วก็ผ่านไปมันจะสอดคล้องกับชีวิตจริงๆชีวิตของเราเนี่ย เห็นไหมบางวันเนี่ยสุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็เบื่อบางวันก็นสดชื่นนะหรือบางวันหิวบางวันร้อนบางบางเนี่ยเนี่ยคือความจริงมันเปิดเผยอย่างเนี้ยมันเปิดเผยหมดแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเะนั้นไม่มีเราเลยที่จะไปไปเป็นมันเพราะเราไม่มีมีแต่มันมีแต่มันที่มันปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปอืม ก็ใจไม่เอ่ยเราไม่ยินดียินร้ายกับมันไม่มีเราใช่ไม่มีเราเอืถ้ามันมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันไปก็แค่รู้แค่เห็นอืมแค่รู้แค่รู้แค่เห็นใช่แล้วก็ความยินดียินร้ายสมมุติว่ามันมีปรากฏขึ้นจริงๆอ่ะนะความยินดียินร้ายก็เป็นสังขารเป็นสังขารก็ได้แค่รู้มันว่ามันยินดีละยินร้ายละไม่หลงเพลินไม่หลงเพลินแค่รู้แค่เห็นอืม เนี่ยทีนี้อ่ามันมีภาวะอีกตัวหนึ่งอะไรละ่ะที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตามที่เล่ามาสิ่งนั้นก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติถ้าไม่รู้ไม่เห็นจะเอามาเล่าได้อย่างไรถูกไหมแสดงว่าในธรรมชาตินี้มีธรรมชาติที่เป็นผู้เห็นอยู่แต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่ใช่เป็นเราด้วยขอยกตัวอย่างเช่น เมื 1941, e men, si ่อมีความสุขอย่างที่โยมเล่าเนี่ยบอกว่าความสุขบอกไม่ถูกเลยไม่รู้จะสุขยังไงอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติสิ่งถูกเห็นแล้วใครล่ะอะไรล่ะที่มาเห็นว่ามันมีอาการอย่างนั้นก็มีธรรมชาติอีกอันหนึ่งซึ่งเห็นเห็นว่ามันความสุขชนิดที่บอกไม่ถูกหรือเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ธรรมชาติอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย ธรรมชาติหมายถึงว่าธรรมชาติที่เป็นฝ่ายเห็นนะนะเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายที่ว่าไม่ตายเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติที่เห็นความปรุงแต่งมันเป็นฝ่ายเห็นไม่ใช่ฝ่ายปรุงแต่งมันจึงพ้นจากความปรุงแต่งเช่นอีกอันหนึ่งเช่นบอกว่าโอ้ยมันสุขมันสุขมันสุขความสุขที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งถูกเห็นมันเป็นสังขารปรุงแต่งยังเกิดตายก็คือยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่เห็นความสุขนี่แหละเป็นธรรมชาติที่เหนือเหนือความปรุงแต่งเ้าเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายเพราะ มันไม่มีตัวหามันไม่เจอหาไม่พบไม่รู้อยู่ไหนไอ้ตัวที่เห็นนะนะไม่รู้อยู่ไหนมันไม่มีตัวมันไม่เป็นมันไม่มีรูปร่างมันไม่เป็นสีไม่เป็นแสงคือมันไม่ปรากฏอาการใดๆเลยแต่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในจักรวาลเนี้ยนะใครไปหามันไม่เจอเพราะมันไม่มีตัวมันเป็นได้แต่รู้เป็นได้แต่รู้นะแปลกมากธรรมชาติเนี้ยเป็นได้แต่รู้รู้ทุกเรื่องนะรู้ทุกเรื่องเลย แต่มันพูดไม่ได้นะตัวเนี้ยที่พูดได้เนี่ยคือธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่พูดได้เช่นปากเราเนี่ยพูดเหยื่อนะมันก็ละตัวกันอีกแล้วหรือถ้าเราทําสมาธิเนี่ยมันมีตัวพูดได้อยู่ตัวหนึ่งในในในสมาธิเนี่ยมันก็จะบรรยายไปเรื่อยมันก็พูดไปเรื่อยว่าโอ้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างงี้ไอตัวนั้นก็เป็นธรรมชาติปรุงแต่งซึ่งจะมีธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเห็นด้วยเห็นได้ด้วยว่าอ๋อกําลังพูดแล้วกาลังบรรยายแล้วกาลังสาธยายในสมาธิแล้ว เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาเล่าได้นี่นะที่จาได้เอามาเล่าให้เราฟังได้อ น, นี้เป็นธรรมชาติปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปเป็นของเกิดดับいいอย่าไปเป็นกับมันถ้าไปเป็นกับมันนั่นเท่ากับว่ามีเราเป็นแล้วเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เป็นกับสิ่งนั้น สิ่งนั้นก็หมายถึงว่าความทุกข์ความสุขความอิ่มเอิบใจเนี่ยไม่เป็นกับมันมันจึงพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมาอยู่กับอะไรจริงๆมันไม่มาอยู่กับอะไรหรอกก็ไม่เป็นอะไรแม้กระทั่งไอตัวนั้นก็ยังไม่เป็นไอตัวที่ไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นะที่มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยก็ไม่ต้องไปเป็นกับมันเพราะเราไม่มีมาตั้งแต่เดิมแต่สิ่งที่มีอยู่ก็คือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไอเนี้ยเป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งกับมันเพราะเราไม่มีก็เลยให้ธรรมชาติมันทํางานกันตามปกติมันทํางานยังไงก็อย่างที่เล่านั่นแหละนั่นคือมันทํางานแล้วโยมไม่ได้ทําอะไรโยมไม่ได้ทําอะไรความสุขโยมก็ไม่ได้ทํามาแต่มันปรากฏขึ้นที่ไปรู้ไปเห็นว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นแล้วโยมก็ไม่ได้ทําแต่มันเห็นของมันได้งั้นจึงพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าที่แท้เราไม่มีเลยมีแต่ธรรมชาติที่มัน มันมันเป็นของมันแล้วก็มันรู้ของมันได้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าจบความเป็นคนและกายจากความเป็นคนเพราะคนไม่มีมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบททัติธรรมที่เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรเพราะเราไม่มีมีแต่ว่าให้อยู่เขาเรียกว่าเอาทำอย่างที่เป็นนั่นแหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็รู้ของมันเนาะไม่มีเราหรอกเออไม่มีเราตรงเนี้ย ก็เรียกว่าตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นส่วนอริยะได้อย่างเงี้ยเดีนะป้าจันป้าจาน<ม>ันบอกกันนิดหนึง่งอสมมติหน้าเรานั่งสมาธิถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสุขแต่สิ่งนั้นไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับเราหมายถึงว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดใ ช, ใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่มันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะที่ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันแสดงให้เราเห็นแต่มันไม่ได้อยู่กับเราใช่แล้วมันไม่เป็นเราเออมันมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ถ้าพูดถึงมันก็อยู่ในร่างกายนี่แหละนะเออมันอยู่ในในเนี่ยที่เรียกว่าที่เรียกว่าที่เรียกว่านะนนี้ที่เรียกว่าในเรานี่แหละแต่จริงไม่ใช่เราแต่เรียกเพื่อสื่อสารกันที่ที่มีร่างกายนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในร่างกายมันก็มีความรู้สึกนึกคิดมันก็อยู่ในนี้แหละแต่สิ่งที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยในเนี้ยก็ไม่ใช่เราไม่เป็นเราเราไม่เป็นมันเออมันไม่เป็นเราเราไม่เป็นนมั แต่มันมีอยู่ซึ่งรู้ได้เห็นได้แต่ทุกอย่างก็คือไม่เป็นเราเราไม่เป็นมันเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าอ๋อชื่อพระอาจารย์อ๋อแค่เป็นแค่ชื่อสมมุติเท่านั้นจใช้เรยกันแต่จริงแล้วมันอ่ามันไม่มีชื่อตั้งแต่เดิมอ่าเข้าใจเข้าใจถรงนั้นนี้เป็นสิ่งสมมติที่เราสมมติเงี้ยเอาคนนี้อันนี้คนนี้คนนี้ใช่ แล้วร่างกายที่เป็นก้อนเป็นท่อนๆน่ะเป็นรูปร่างอ่ะนะอันเนี้ยเขาก็ตั้งชื่อมาว่าร่างกายแต่จริงอ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีชื่อเหมือนกันอืมมันก็ได้แค่เป็นก้อนๆเนาะแล้วในก้อนเนี้ยมันก็ทํางานของมันเองได้เช่นมันทําเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นปวดเป็นร้อนเป็นหนาวเห็นไหมไม่มีผู้กระทําไม่มีเราเป็นธรรมชาติปรุงแต่งมันเป็นของมันเอง แล้วมันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วใช่ทุกอย่างมีอยู่แล้วหมดเลยร่างกายก็มีอยู่แล้วความเจ็บความปวดมันไม่มีเดี๋ยวมันก็มีอยู่เองตามดินฟ้าอากาศตามเอออะไรนะตามเหตุปัจจัยเนาะเหตุปัจจัยต่างแต่งพอเข้าใจแบบนี้เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาที่ถอนความเห็นผิดเมื่อก่อนเห็นผิดว่าร่างกายก็เป็นเราความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็เป็นเรา แต่ที่แทโ้โธ่ไม่นั่งโงอมานานหลายไม่รู้กี่ช่วงกี่โคตรกี่กับกี่กันแล้โวโง่มาไปยึดว่าเป็นเราเป็นเราจึงได้เกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นบัดนี้เ <c oughs> ข้าใจถูกแล้วว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวปลอมเป็นตัวปลอมไม่ใช่เราความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่างๆเป็นตัวปลอมหมดเลยเช่นความสุข ก, ก็ไม่ใช่เราโอ้มันตัวปลอมนี่วะค <c oughs> วามทุกข์ที่เกิดขึ้นเ อ, า <kelijk> อ้าก็ไม่ใช่เราเอ้ยมันตัวปลอมนี่ว่า ตัวจริงอยู่ไหน<ะ>ตัวจริงไม่เคยเกิดมาเลยตัวจริงไม่มีไม่มีเราแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่ยึดมากเหมือนกันก็คือยึดว่าเราเนี่ยเป็นผู้เห็นตัวปลอมอีกทีหนึ่งเห็นตัวปลอมอะไรเห็นร่างกายร่างกายตัวปลอมแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้องกายเป็นตัวปลอมเลยนะเ<ะ>คยเห็นร่างกายก็<ะ>มีธรรมชาติอันหนึ่งเป็นผู้เห็นได้นี่ว่าร่างกายนั่งอยู่เนี่ยอย่างตอนเนี้รู้ได้ใช่ไหมว่าร่างกายอาจจะนั่งอาจจะยืนตอนนี้อยู่ในท่าไหนเนี่ยนั่งหรือยืน S <S <S นั่งเออเห็นไหมรู้ได้ว่านั่งไอ้รู้เนี่ยเป็นธรรมชาตินะไอ้ที่รู้ได้ว่านั่งเนี่ยแต่เมื่อก่อนเข้าใจผิดว่ารู้นี่คือเราแต่แท้จริงเราไม่มีมีแต่รู้ที่เป็นธรรมชาติรู้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายที่นั่งแต่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมมันมันเป็นสอง <S <S นะสิ่งแต่ว่าเราไม่ต้องแยกนะหมายถึงว่าไม่ต้องมาแยกว่า เออให้เราให้มาอยู่นอกร่างกายแล้วมาเห็นร่างกายนั่งอยู่ไม่ต้องแยกเพียงฟังให้เข้าใจว่าที่นั่งอยู่เนี่ยมันมีร่างกายเป็นผู้นั่งแต่รู้เนี่ยรู้ว่าร่างกายนั่งเนี่ยมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งซึ่งซึ่งร่างกายเนี่ยใครใครก็เห็นได้ว่าร่างกายแต่รู้เนี่ยอยู่ไหนไม่มีใครจะหามันพบแม้กระทั่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยยังหารู้ไม่เจอเลยเพราะรู้เนี่ยมันไม่มีตัว มันเป็นความว่างเปล่ามันไม่ตายรู้เนี่ยมันไม่ตายมันตายงไงอ่ะเพราะมันไม่มีตัวมันไม่เคยเกิดมาแต่มันทําหน้าที่รู้อย่างเดียวค่ะค่ะเออทีนี้พอเราเข้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นสุดยอดในปัญญาสูงสุดเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีธรรมชาติสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วตายใช่ไหมร่างกายเกิดแล้วตายน่าเปื่อยคุกพังใช่ไหมเออ ความสุขอ่าเมื่อกี้ที่เล่าว่าทำทำสมาธิความสุขแต่เดิมไม่มีต่อมามินมีอ่าวเกิดแล้วพอเกิดแล้วตั้งอยู่หน่อยหนึ่งอายุมันสั้นมากไม่นานแล้วมันก็หายไปก็คือตายอีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยมีแต่เกิดตายเกิดเกิดเกิดตายหมดเลยเออพอเราเห็นความจริงตรงนี้อ่ะแล้วที่เราไปยึดยึดยึดยึดยึดตั้งแต่ก่อนน้นอ่ะนั่นแหละคือความทุกข์ของเราเพราะมีเราแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นตายไปแต่แท้จริงอะเราอ่ะไปที่ตู่เขา มันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องแปรเปลี่ยนเกิดดับอยู่อทีนี้พอเราเข้าใจถึงขั้นเนี้ยขั้นเนี้ยโอ้ที่แท้นี่เราไม่มีเลยมีแต่ธรรมชาติการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าเ อ, อ้ยึดก็เป็นทุกข์เดี๋ยวปัญญามันก็จะพัฒนาให้ถอนการยึดไปเรื่อยๆตามสติปัญญาอืมเพราะฉะนั้นที่เราทําสมาธิก็ดีเราทําอะไรก็ดีนะเพียงแค่การอยู่ในอาการกิริยาใดๆอ่าอยู่ด้วยความ สงบก็ได้อะไรก็ได้สุดท้ายเนี่ยธรรมะก็จ ะ, สะแสดงให้ดูแค่นี้เองไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรหรือจะเป็นอะไรเพียงแค่ให้เห็นอะไรมันจรเข้ามาแล้วอะไรมันดับตายไปแค่เนี้ยไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาใดๆทั้งหมดไม่ต้องอยากให้มีความสงบไม่ต้องอยากให้เป็นอย่างโน้นเอาแคอ่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วก็ธรรมะเขาก็จ ะ, สะแสดงให้ดูดูเสร็จแล้วมันก็ไปแล้วก็มาสแสดงใหม่ ไอตัวใหม่ก็มามาแล้วมันก็ไปไอตัวใหม่ก็มามันมาอย่างเนี้ยจนกว่าจะสิ้นลมหายใจแล้วครัอเข้าใจอ่ะพระอาจารย์เข้าใจแล้วทีนี้ว่าเออนั่งสมาธิแล้วมีความสุขแล้วเราก็ติดสุขจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สุขแั๊บเดียวเอ่าใชอือเข้าใจคนเอ่าค น, คนที่ติดสุขเนี่ยพอสุขหายไปเนี่ยกลุ้มดี่พยายามจะให้สุขมาแล้วก็เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยแล้วก็เป็น ไปไปเกลียดไอไอไออาการที่มันไม่สุกใช่ไหมเนี่ยทุกอ <laughs> พอเกลียดก็ทุกเลยพอเกลียดก็ยิ่งทุกข์ค่ะใช่ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้ก็หมายความว่ารู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่แล้วท <c oughs> ุกมีมันก็รู้ว่ามีสุก <c oughs> ไม่มีมันก็รู้ว่าสุกไม่มีเป็นเพียงแค่รู้อย่างเดียวรู้เฉยๆรู้แบบรู้แบบจิตเป็นกลางนะก็เรียกภาษาโน้นน่นนะ ตรงนั้นก็ให้เป็นเหมือนกับว่าอะไรล่ะผู้ดูหนังดูละครไงอ่าสุขมาไปไม่ไม่อินกับบทมันเออใช่ไม่หลงไม่อินคือเข้าใจโอ้สุกมาแล้วก็อ๋อสุกสุกสุกพอตอนหลังเอ้ยเฮ้สุกหายไปว่ะตอนนี้ความคิดเต็มหัวหมดแล้วเอาความคิดมาอีกแล้วเออใช่ไหมแล้วก็บางครับบังคับเอาความโกรธมาอีกแล้วอะไรนี่โอ้ยมันมาเนี่ยมันหมุนเวียนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าวัฏฏะไงธรรมชาติฝ่ายเกิดวัฏฏะวัฏฏะวัฏฏะ ธรรมะที่คุยนี้เป็นธรรมะสูงสุดเป็นธรรมะระดับปัญญาไม่ใช่ศีลไม่ใช่ทานไม่ใช่สมาธิที่คนก็เป็นกันอันนี้ชี้ให้เห็นถึงว่าทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยคือให้เข้าใจแบบนี้คือแค่รู้แค่เห็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งแล้วก็ไม่ได้ยึดอะไรยึดอะไรได้อะเพราะมันไม่มีให้ยึดไงบางทีมันมาแล้วมันไปแล้วจะยึดได้ไงเนาะ ก็แค่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านต่อไปเนี่ยจะทําสมาธิก็ง่ายเพราะอะไรก็ไม่ได้เอาอะไรนี่อยู่เฉยๆปิดตาก็ได้ลืมตาก็ได้อยู่เฉยๆเดี๋ยวเสียงก็มาให้ได้ยินเดี๋ยวความร้อนผู้บ้ความเอ่ออะไรนะมาตามรู้สึกที่ตัวก็ไม่เดี๋ยวความเจ็บความปวดความเมื่อยเอาก็มาเดี๋ยวความสงบก็มาเอ้าไอ้ไอ้ไอที่มาก่อนๆเอามันหายไปไอ้ตัวใหม่ก็เกิดขึ้นเนี่ยนั่งรู้อยู่แบบเนี้ยไม่เห็นต้องยุ่งยากอะไรเลยค่ะ เออบางทีนะอาจารย์เวเราเราปฏิบัติแล้วเราไม่มีอาจารย์นะอืเหมือนไม่มีคนคอยแนะนําแล้วเราก็เลยอ้อนี่ถูกแล้วถูกแล้วที่ฉันทําเออจริงจไม่ถูกอ่าใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยได้กับทุกทุกคนอืมใชอย่าไม่ไม่ได้มีคําแนะนําสําหรับเออทุกคนจะว่าแนะนําเราได้ไดเลยก็อย่างนี้แหละอ่าแล้วก็ลองเทียบดูที่ธรรมะที่ เขาสอนที่เราได้ยินเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้ได้นั่นได้นี่ให้มีนั่นมีนี่อันนั้นนะพระพุทธเจ้ามีแต่สอนให้วางให้ออกให้คือให้ไม่ใช่รับมาใช่ไหมมีแต่ให้ปล่อยไปเนาะอืมแต่มีจะเอาจะเอาจะเอามันผิดทางอ่ะสวนทางกันหมดเลยอ่ะอืมี่อานหนังสือของป้าจันน์นั้นอะไรของของป้าจันชาน่ะป้าจันทร์รู้จักไหมที่ชอบแสดงแสดงเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับพิณิหารน่ะอเขาเรียกอืม ก็เลยรู้สึกว่ามันคื อ, ค, อคือเวลาเรานั่นนัรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่เห็นมีความอยากแบบนั้นเลยที่ว่าโอ้เรียกตังมาได้นะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพอคนเด็กก็โอ้เก่งจังเลยอ่ะทีนี้อยมดูนะว่าที่เราพูดแต่ต้นว่าทุกอย่างเป็นจังฐานไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่หมายความว่าสิา่งนั้นถึงมันมีมันก็เป็นทุกคือเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกอ่ะนะ คนที่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถึงเขาจะได้มาสักเท่าไหร่เนี่ยแต่สิ่งนั้นเนี่ยต้องหมดไปนะแต่ถ้าเ้าอยากไม่รู้จบอ่ะเขาจะทุกข์อย่างแสนสาหัสเมื่อสิ่งนั้นหายไปไงเพราะเขาไม่รู้ว่ากฎธรรมชาติเนี่ยเมื่อมีแล้วมันต้องหายไปหมดไปแต่คนที่อ่าดูดเข้ามาดูดเข้ามาก็คล้ายๆว่ามีความสุขแต่พอมันเสื่อมดี่ขาลงขาที่มันพังทลายมันหายไปเนี่ยพวกนี้จะรับไม่ไหว จะทุกข์อย่างแสนสหาหัสเพราะอะไรเขาไม่เรียนในทางด้านปัญญาแต่เขาเรียนแบบทางโลกียะคือแบบโลกโลกสุขแบบโลกโลกเห็น <Okay. S 1> ไหมมันไม่พ้นอะ่ะไม่พ้นทุกข์อ่ะทีนี้เราเรียนขั้นพ้นทุกข์เนี่ยหมายความว่ า, วาไอ้เรื่องมีโลกโลกเราก็เข้าใจไอ้ไอมีมาก็ไม่ว่าอะไรแต่เมื่อมันหมดไปเนี่ยมันไม่ทุกข์สิตรงนี้ต <Okay. S 1> ่างหากอืเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เอเราเรียนตอนนี้เราก็อยากได้อะไรละ่ะอยากได้มากมีมากก็ทุกข์มากใช่ไหม เออเพราะฉะนั้นมีแค่เอาไปใช้ประโยชน์ใช้งานมันไม่ใช่ว่ามีเพาะโลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นทุกแน่นอนแต่ถ้ามีแค่เนี่ยเพื่อดำรงชีพเพื่อใช้มันเพื่อใช้มันใช่ไหมเอามาเป็นเครื่องมือเราอะ่ะคือใช้มันเออเอาไปจ่ายใช้สอยก็ยาตามสมควรอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันมันไม่โลภมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ามีอย่างนั้นเสริมเช่นเอาเคยมีอภิน ญ, ญามีเอออันเนี้ย มีชื่อเสียงใช่ไหมมีคล้ายๆว่าโอ้ได้มามีความสุขแต่สุดท้ายมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมันเสื่อมไปหรือว่าถ้าทําประพฤติมไม่ชอบเนี่ยถูกกฎหมายบ้านเมืองเขาจับกลุมเช่นหลอกลวงอะไรเนี่ยติดคุกเห็นไหมล่ะทุกไหมล่ะก็ถูก<ม>เห็นไหมพวกเนี้ยมันเป็นไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าหรอกพวกเนี้ยเป็นของพวกอะไรก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่สอนให้ละละชั่วทําดีอ่าละชั่วยทาดีทําให้ถูก อหรือว่าละอะไรล ะ, ละเหตุแห่งทุกข์ความอยากทั้งหลายละเสียละเสี ย, ยอย่างเงี้ยอืมก็เป ต, ต่างเออก็วันนี้ให้ธรรมะเห็นว่าโยมก็เอเ อ, เ, อเห็นจิตก็เปิดดีเราก็ให้ไปอ่าไม่มันมันบางครั้งก็รู้สึกว่าเออเราคุยกันนั้นคนนี้เราก็ไม่ได้นะแต่ก็นึกถึงพระอาจารย์น้อยไงก็รู้สึกว่าเออคือคุยแล้วก็โอเคอ่ะโอเคเข้าใจอ่ะเข้าใจแล้วหมายว่าเออ มันมันได้อีกระดับหนึ่งพระอาจารย์ว่าเออเดี๋ยวเราต้องปล่อยวางนะอย่าไปยึดติดกับมันอ่าที่ไลฟ์พระอาจารย์รถฟังนั่นเหมือนติดสุขอยู่ตรงนั้นว่าฉันอยากนั่งร้อนนั่งโอมันสบายอยามีความสุขตอนนี้เข้าใจเข้าใจแล้วค่ะ เ, ค เ, คเรียนรู้มันเรียนรู้ก็ได้เอาสุขแค่ไหนนะเอารู้เรียนรู้มันก็เรียกว่าทําเพื่อเรียนรู้เนาะแต่แค่แค่รู้แล้วก็สุดท้ายมอนะมันก็ดับอยู่ดีแล้วไง เหมือนเหมือนฝันนะในฝันนะสมมติเรานอนหลับในฝันแบบพอตื่นก็หายไปใช่สมมติว่าได้เงินมาเยอะมากเลยนะในฝันเนี่ยมีความสุขเนาะพอตื่นฝันปั๊บอ้าวหายวับไปกับตาเลยของไม่จริงฝันเอา